ก็ท่านอาจารย์สันติก็อยากให้เอาปฏิสัมพิธามามาเปิดเรียนนี่ก็คงเรียนไปถึงไหนแล้วของมาไม่ทราบนะของมามาใหม่ก็ว่าใหม่ตาราเล่มโตนะพิธีแนะนําก็ไปถ่ายมาครั้งละสิบหน้าจะเล่มเล็กเลยอ่นี้ถ่ายเอกสารมานะเล่ม น, นี้เดียวคันนี้นคือกระดาษมันค่อนข้างหนาหน่อยนะก็เลยเข้าเล่มแล้วก็เลยนา แต่ถ้าเล่มบางๆแล้วเรียนจบเร็วแล้วเราจะไปเรียนอะไรต่อก็คือถ้าธรรมะพระพุทธเจ้านะของมานึกนะสมมติถ้าเป็นคำสอนเล่ม น, นิดเดียวอนะถ้าเราเรียนจบแล้วจะไปเรียนอะไรต่อคะเนี้ยเออไปเรียนเดระฉานกระถาต่อก็ไม่ไหวก็ธรรมะดีเยอะดีแล้วจะได้จิตเป็นไปกับคำสอนเป็นไปกับกุศลให้มากนะโหถ้าวันหนึ่งนะชั่วโมงเราฟังธรรมสิบนาทีอย่างเงี้ย แล้วเวลาที่เหลือเนี่ยยี่สิบสามกว่าชั่วโมงเนี่ยไปทำอะไรไไก็เลยไปเป็นอากาศอุศน์ก็ส่วนใหญ่นั้นคำสอนเนี่ยถ้ายิ่งมีมากก็เหมาะแล้วสำหรับผู้ที่มีอินทรีย์น้อยเนี่ยอินทรีย์อ่อนจริงปฏิสัมพิธามักเนี่ยเป็นคำพีประเภทส่งเสริมปัญญ่นยินทรีย์เห็นันถ้าปัญญาไม่น้อยเนี่ยเห็นคำพีนี้น่าจะยิ้มได้เลยเนไหว่าโอ้โหเนี่ย งานนี้ถ้าจบคำพีร์เหล่านี้ถ้าไม่ฉลาดขึ้นก็แสดงว่ า, าธาตุน้ำมากอาวิช า, าธาตุน้ำแน่นถ้าถ้าเรียนแล้วก็มีความเข้าใจก็ถือว่าสมหวังละได้ทราบว่าของเรานี่เรียนไปจนถึงศีลธรรม ย, ายาัญาณนี่ก็เกินครึ่งเล่มแน่ น, นะโอ้มีบุญมากอ๋อเรียนอุเทศแต่จบศีลธมรมยัญาณไปแล้วนี่ก็มีบุญมากจริงๆอืมคนที่เรียนไปแล้วก็ถือว่า ทบทวนเนี่ยนะอันนิสงของการฟังธรรมก็คือทำให้เข้าใจชัดในสิ่งที่เคยฟังไปแล้วแล้วก็ในส่วนที่ไม่เคยฟังก็จะได้ฟังการอธิบายนี่ก็คงถือเอาอัตกถาเป็นหลักลนะปฏิสัมพิธาจริงๆแล้วตัวคำพีนี่ไม่ค่อยใหญ่มากนักหรอกไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ที่ใหญ่มากก็คืออัตกถาอย่างสุตตามิยญาณเป็นต้นเนี่ยนะอยู่มีอยู่ไม่กี่หน้าหรอก ที่ที่พิมพ์ ม, มาเนี่ยนะเพราะที่เหลือจะใส่จุดไว้ทั้งนั้นเลยปรยาเนี่ยละไว้ในฐานที่เข้าใจกันนี้ที่กว้างขวางมากก็อัตกถามาขยายซึ่งของเราก็คือเรียนเรียนอัตกถะฐานนั่นเองโดยที่เอาปฏิสัมพิธามมรคที่พระสารีบุตรท่านเรียบเรียงไว้เป็นหลักก็เปิดในคัณฐารมภกถาเลยนะหน้ากลาวคถานี้เป็นคําของพระมหานามเทระ กล่าวปรารบคำภีคันทะบวกอารัมภะเนี่ยนะคันทะก็เป็นชื่อของคำภีอารัมภะนี่ก็เป็นคําเริ่มเรียกว่าคําเริ่มคำภีแต่ความหมายเต็มก็ทั้งคํานอบน้อมพรนะรัตนตรยัยคําอธิบายลักษณะของคำภีเป็นต้นนั่นเองท่าทาแรกก็คือคํานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงพระคุณครบถ้วนล้วนแล้วด้วยความงามทุกสิ่งนะล่วงเสียซึ่งความงดงามของโลกทั้งปวงทรงพ้นจากกิเลสมนทินเป็นเครื่องปะทุษร้ายพร้อมทั้งวาสนาทรงประทานวิมุติธรรมอันลัมเลิศพระองค์ทรงมีพระทัยเยือกเย็นดุดความเย็นแห่งไม้จันท์ความเย็นอันนี้ก็คือพระมหากรุณาอยู่เป็นนิดทรงท้าปัญญาโทษช่วง ดังดวงรวีคือดวงอาทิตย์มีธรรมะเป็นเครื่องแนะนําสัตว์ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้เลิศในหมูสัตว์ผู้เป็นที่พึ่งในประโยชน์แก่ปวงสัตว์ด้วยเสียงกล้าวในหน้านี้เป็นคํานอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยซึ่งถ้าใครอ่านเข้าใจนี้ก็เห็นพระพุทธคุณชัดมาก ยังคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยสักพักวาเนี่ยแปลว่าผู้มีส่วนแปลว่าผู้มีส่วนก็ได้แปลว่าผู้หักราคะหักโทสะหักโมหะคือกําจัดราคะได้โดยส่วนเดียวกําจัดโมหะโดยส่วนเดียวกําจัดโทสะได้โดยส่วนเดียวกําจัดกิเลสทิฏฐิมานะ บ, บาปอกุศลทุกชนิดได้โดยส่วนเดียวคําว่าพักวาเนี่ยแปลว่าผู้กําจัดบาปอากุศลทุกชนิดก็ได้ หรือคําว่าพักวาเนี่ยภาคะแปลว่าส่วนภาคเนี่ยนะถ้าถ้าตัดเอาพอสัมเผาสะอาคอควายมาเนี่ยอ่านเป็นไทยเรียกว่าภาพบาลีเรียกว่าภาคะภาคะนี่แปลว่าส่วนภาคะนี่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าผู้มีส่วนถามว่าพระองค์มีส่วนแห่งอะไรก็คือมีส่วนแห่งอธิศีนอธิจธิตอธิปัญญาผู้มีส่วนแห่งศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุตติญาณทัสสนะขัน ผู้มีส่วนแห่งโพธิปัจจยธรรมสาสิบเจ็ดประการอย่างนี้นะผู้มีส่วนแห่งสติปัฏฐานสมมามารถพัฒนอิทธิบาทอินรียพละโพชฌงค์อริยมัติมีองค์แปดผู้มีส่วนแห่งเวสารัชยานสีมีส่วนแห่งอัปปมัญญาสีมีส่วนแห่งอภินญาหกเป็นต้นก็แปลว่าผู้มีส่วนคือผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งปวงคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีครบถ้วนมิได้บกพร่องเลยทั้งในแง่ รู ป, ปกายรู ป, ปกายเนี่ยพระองค์ก็มีพระรูปที่หาที่ตำหนิไม่ได้แม้พระเสียงพระสุระเสียงที่เปล่งออกมาก็เป็นเสียงประดุดพรมนี่ในแง่ของรู ป, ปกายในแง่ส่วนนามกายหรือธรรมกายก็คือคุณธรรมภายในใจของพระองค์นั้นน่ะก็ตั้งแต่สัธาวิริยะสติหรือว่าหีเรโอต ป, ปะสติสัมปชัญญะสุจริตสามไปต้นเนี่ยคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยมีครบถ้วนบริบูรณ์ คุณธรรมในความเป็นครูของโลกไม่มีส่วนใดที่พระองค์ไม่มีพระองค์เนี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแห่งความเป็นครูจริงๆเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างอย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธานุสตินิเทศวิสุทธิมรรคนี่ก็เอามาขยายจำแนกแจกแจนคือว่าละเอียดพอสมควรถ้ายิ่งดูดีกาด้วยนะ ดีกาวิสุทธิทมรรคหรือดีกาพระวินัยเนี่ยจะที่บายคําว่าพระควาไว้ละเอียดมากฉะนั้นพระองค์นี้มีพระคุณครบถ้วนความที่พระองค์มีพระคุณครบถ้วนขนาดนี้แหละพระองค์จึงสา ม, มารถสอนพระธรรมได้โดยที่ไม่มีอคติแม้แต่นิดเดียวไม่มีอคติว่าเอาสอนคนนี้มากกว่าคนโน้นสอนคนโน้นมากกว่าคนนี้ไม่มีฉะนันพระเทวทัตท่านบอกลูกศิษย์ของท่านว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระทัยคงที่เสมอถ้าทัยคงที่ไม่ว่าต่อพระราหุลพระเทวทัตช้างธนาบานคือช้างนาลาคิริงกับนายขมังธนูท่านรักเสมอกันหมดนหละท่านท่านไม่มีอคติต่อผู้ใดผู้หนึ่งแม้แต่นิดเดียวพูดถึงในแง่ความงามของพระองค์เนี่ยทั้งทั้งในส่วนของรูปทั้งในส่วนของนามในส่วนของคุณธรรมทั้งหมดเนี่ย ถือว่าล่วงเสียซึ่งความงามของโลกเพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่สามารถจะเอาไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าได้บางแห่งท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเทพยิ่งกว่าเทพคําเนี่ยคือในบรรดาสมมุติเทพคือพระราชามหากรรษัตริย์ทั้งหลายเรียกว่าสมมุติเทพพระองค์เนี่ยเหนือกว่าสมมุติเทพทั้งหมดพระพุทธเจ้าเหนืออุปัติเทพคือเหล่าเทวดาทั้งหลายโดยการเกิดเนี่ยนะตั้งแต่จาตุมลายขึ้นไปเนี่ยจนถึงพรหมโลก หรือแม้กระทั่งอรูปประรมทั้งหลายพระองค์ก็มีคุณธรรมยิ่งกว่าพวกเทวดาที่เป็นอุป ป, ปัติเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็พระองค์ก็งามกว่าวิสุทธิเทพมีคุณธรรมยิ่งกว่าวิสุทธิเทพพระองค์นี่มีคุณธรรมยิ่งกว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายบอกว่าพระอาหารหันต์สาวกธรรมด า, ก, า ก, กับพระปเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งอยู่ทั่วแผ่นดินชมพูทวีปก็ไม่ได้เทียบเท่ากับพระองค์เดียว ท่า น, นพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ท่า น, นครอบงําโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้ได้ทั้งหมดโดยคุณธรรมของพระองค์แต่คุณธรรมเหล่านั้นที่พระองค์มีเพื่ออะไรต้องไม่ลืมวัตถุประสงค์เดิมใช่ไหยท่านมีวัตถุประสงค์ว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยคือข้ามจากวัตตะหรือข้ามจากโอคะพระองค์ก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยพระองค์ตรัสรูค้คือมาทํากิจในอริยสัจ คำว่าตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ด้วยการกําหนดรู้ตรัสรู้ด้วยการละด้วยการเจริญด้วยการทําให้แจ้งเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยแล้วก็เราปรินิพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเราโล่งใจแล้วสงบแล้วก็จะให้ผู้อื่นเป็นด้วยฉะนั้นคุณธรรมทั้งมวลที่พระองค์มีอยู่ก็เพียงเพื่อจะแนะนําผู้อื่นเพื่อจะแนะนําผู้อื่นนั่นเองก็ดูนะว่าพระองค์จะแนะนําเราสําเร็จไหยสําเร็จแน่นะ พูดถึงในแง่สมุทัยศาสตร์พระองค์ก็พ้นจากกิเลสที่เป็นมลทินเครื่องประทุษร้ายประทุษร้ายนี่มาจากคำวมโทษเครื่องประทุษร้ายไม่ว่าทางนามก า, ายรู ป, ปกายตลอดจนถึงกิริยาอาการเนี่ยละได้หมดเลี่ยงแม้กระทั่งที่เรียกว่าวาสนานคือความประพฤติเคยชินที่ไม่ดีความประพฤติเคยชินที่เกิดจากอํานาจกิเลสเขบอกว่าพระ้าหันธรรมดาทั่วไปท่านละวาสนาไม่ได้อย่างเช่นพระปิรินทวชะเนี่ย คือคำพูดติดปากท่านละไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะนิยมชอบพูดคําว่าคนถ่อยอา้าวมาแล้วเลยคนถ่อยอา้าวไปแล้ ว, ลวคนถอยอย่างเงี้ยนะคําพูดทุกคําเหมือนกับว่าด่าเข้าไปด้วยพูดคําด่าคําอ่ะนะลักษณะเนี้ยแต่จริงๆแล้วท่านไม่มีโทสะในภายในหรอกท่านก็พูดไปตามความที่ท่านเคยชินเพราะท่านเกิดในวันณะสูงมาติดติดกันห้าร้อยชาติท่านก็เลยมานะก็มีมากเพราะนั้นไอ้พื้นฐานคําที่เคยใช้แบบนั้นเนี่ย มาชาติหลังสุดก็ยังใช้อยู่อย่างพระสารีบุตรที่กล่าวว่าท่านเห็นน้ําเนี่ยนะฝนตกอย่างนี้แหละเขาก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านไปเห็นน้ําท่านก็กระโดดที่จริงเขาจะถวายผ้าสามผืนกระโดดครั้งแรกเขาลดไปผืนหนึ่งกระโดดครั้งที่สองก็ลดไปอีกผืนหนึ่งในใจนะเขาไม่ได้พูดหรอกแล้วก็ครั้งที่สามพระสารีบุตรก็เดินลุยน้ําบอกทำไมท่านจะไม่กระโดดอีกละ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวโยมจะไม่ได้ทําบุญทางนั้นนั่นนะแล้วก็ อันนี้คือวาสนาที่เคยเป็นลิงติดกันมาห้าร้อยชาติหรืออย่างพระพระกัจจายนะพระกัจจยนะวาสนาท่านเป็นยังไงจำไม่ได้แล้วอ๋อไม่ใช่ตอนหลังท่านอธิษฐานตัวให้คือพระมหากัจจยนะเนี่ยคำว่ากัจจานะเนี่ยกัจจายนะเนี่แปลว่าทองคําเนี่ยนะพระที่มีผิวเหมือนทองคําเลยเป็นพระอ่าเป็นเป็นธามหนุ่มรูปงามที่ฉลาดมากเป็นปุโรหิตของพระเจ้า ปจจันตโชตเป็นเป็นอาจารย์หนุ่มของพระราชาที่เขานับถือมากเลยนะเป็นอาจารย์ของพระราชาความที่ท่านเป็นหนุ่มแล้วก็ฉลาดแล้วก็เป็นคนรูปงามมากเนี่ยนะก็บอกว่าผู้ชายเห็นยังชอบเลยไม่จํากล่าวต้องผู้หญิงเนี่ยว่า ง, งังโสระยะเศรษฐีบุตรเศรษฐีเนี่ยก็บอกโอ้ยถ้ามีเราได้งามขนาดนี้ก็ดีนะถือเราพึงมีเมียงามเช่นนี้นี่แหละคิดไปคิดมาก็เลยเป็นผู้หญิงเลยยังไ ก็ไปคิดไม่ดีกับพระกับท่านนะตอนหลังขาวว่าท่านรู้ว่ารูปกายของท่านเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลของผู้อื่นอีกมากท่านก็เลยอธิษฐานให้ให้ไม่ค่อยน่าชมอ่ะนะทีนี้ไอ้ความที่อธิษฐานไปก็มีคนไม่ชอบอีกนะไปเดือดร้อนถึงวัสการะพร์ อ, อีกก็ว่าพระรูปนี้เหมือนลิงรว่างนั้นเสร็จ แ, แล้วพระองค์ก็แนะนำว่าวัสการ์ไปขอขมาพระมหากัะจายนานะ ทำใม้ขอขมาท่านจะเกิดเป็นลิงวัสการพรามยังมีมานะมากแกสั่งให้ลูกน้องไปปลูกต้นกล้วยไว้เลยทั้งปลูกต้นกล้วยไว้ในป่าเวลวันน่ะนะไม่ยอมขอขมานะยอมเกิดเป็นลิงอะ่ะโดยมานะมันขนาดนั้นนะ่ะไม่ยอมมาแต่ว่ายังความคิดของพระภารัตวาชรูปหนึ่งที่ท่านชอบไปนั่งที่ที่สวนที่ที่ที่ท่านเคยสวัยราชสมบัติแถวนั้นท่านจะไปชอบนิยมไปนั่งอยู่แถวนั้นแหะ ที่ที่ท่านเคยอยู่มาหลายชอบด้วยกันหรืออย่างพระรูปหนึ่งพระที่ชอบไปนั่งในเสรีーーวิมานเนะี่ยวิมานว่างเปล่าอะ่ะเพราะท่านเคยอยู่ที่นั่นนานท่านก็ชอบไปนั่งอยู่แถวนั้นอะ่ะไปนั่งเข้าสมาบัติเป็นต้นที่ที่ที่เคยเคยชินเนี่ยนะนนี้ส่วนของวาสนาแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นแบบนั้นไม่มีนะนะกระวะด้วยความเคยชินเป็นต้นเนี่ยไม่มีละได้ทุกส่วนเลยไม่มีเหลือหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่า ถ้าอารหันต์ทั้งหลายเนี่ยถ้ากล่าวโดยระดับสูงแล้วก็ก็ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระสารีบุตรเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าพระสารีบุตรท่านมีความไม่ดีที่เรียกว่าทุจริตเนี่ยนะทางกายก็อย่างที่ว่าเห็นน้ําแล้วกระโดดแล้วท่านมีทุจริตข้อหนึ่งคือท่านไม่คิดจะสอนใครมีอยู่ครั้งหนึ่ง น, นะท่านตายกับลูกศิษย์ของท่านห้าร้อยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองจาตุม ลูกศิษย์เนี่ยพระใหม่กับทั้งนั้นเลยก็เอะอะโอวยวายกันเยอะไปหมดเลยแต่แล้วก็เข้าไปฝ้าพระพุทธเจา้าพระองค์ก็เลยบอกได้ยินเสียงดังเอะอะโอไวยวายมากก็เรียกมาบอกใครมีเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลาเคยเห็นนะตลาดซื้อขายปลาเช้าเชาเนี่ยโอ้โมันเสียงดังลั่นขนาดนั้นนลยพระองค์ก็บอกว่าใครเสียงดังลั่นเหมือนกับชาวประมงแย่งปลาบอกไปเรียกมาเรียกมาบอกว่ามาแล้วก็ประนามบอกว่าเธอทั้งหลายจงไปเราขอประนาม ก็ไปหมดไปก็ภาษาริบุตรก็ไปด้วย